อลองเคาะที่นี้ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบก้ไมไปเงียบให้ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศรีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอบพูดอย่างกลงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิด อ, อันนี้ความนี้ที่แรกพระังศรีราะนี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพระพุทธเจ้านั่นแหะคุณง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระเจ้าแล้วทรองเอากระโหลกศีรษะก็อาหารมาให้เคาะอันนี้มาติดตรงนี้นี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วให้เรียนสำนักพระพุทธเจ้านั่นแหละที่หนี่ก็สอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกระโหลกนี้ได้ให้เข้าใจสอนวิชาวิชาธรรมนี่ไปปฏิบัติไปประบัติไป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 ตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลาดับ้าจิตทั้งหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่าว่านี้คือจิตละละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดต้องไปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่ง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 ความรู้ไม่ได้สืบเก่าอะไรทังร้งหมดคำถามนี้ไม่เกี่ยวะไ่คือแคือคือที่พูดงว่าเวลาที่ท่านอภรนานีา้สัญญาขันเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณอนนันดับหมดดับร ล, ลงทันที่ดับจิตาพไม่เหลนอเลยอ่ะแล้วตอนนี้เวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงรูค้ครับรู้ตอนมันถ่ายนั้นมายุ่งเหร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 คือเราก็เราก็การสังงาของเราเนี่ยจะจับเอาตอนที่มันมสนิทตอนนั้นไม่รู้ว่ามันสนิทไม่สนิทหรอนะแต่ตอนนั้นนะออกมารามล้วคำรู้อัญยาเนี่ยไปจับอั น, น, น, นเดิมนะมาพูดถ้าสัญญาไปจับตัวเดิมมาพูดก็หมายความว่ามันไม่ได้จับสนิทกันนะก็หมายความว่าเวลาที่ถึงขณะที่เอจิตเป็น สมาธิถึงขั้นอัปนาสมาธิแล้วตัวตัวสัญญาขันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดับสนิทถึงไปไปไปจังมาได้แล้วคุณชายเขาเจะมันหลับสนิทมีไหมมันหลับสนิทมีไหมละ่ะกระผมว่ามีครับหลับสนิทแล้วคุณชา ย, ายเคยหลับสนิทดีไหมวะอ๋อผมเคยหมายถึงนอนหลับสนิทใช่ไหมครับเคยครับแล้วเนี่เอามาพูดแทนไหมล่ะคุณชายเอามาพูดแทนไหมไหมว่าคุณหลับสนิทดี เวลาตื่นขึ้นมาแล้วแม่มดดแตื่นยังหลับเป็นอีดีบางทียังเจ้าตื่นกว่าแม่เหมือนตายเลยว <c oughs> ่าอไนั่นคือตอนนั้นมันก็ไม่อะไรละตอนถอนมอนี่มันไปจับเพาะนั่นคือทีนี้มนีรำทงานต้ันไปจับเพาะนั้นมาพูดตอนไม่ทางานก็มีเฉพาะคือติตเวลาขนาดที่มันหลับขนาด น, น, นั้นแล้วมันก็มีทั้งหมด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 นี่แหละเปนดับดดยืนยานแบบั้นเขาจะว่าเราเรานั่งอยู่หรือนอนอยู่หรืออะไรเนี่มันมันมันแยกออกมาไม่ได้วันเถือ่อนนะแยกออกมามันก็เป็นมันก็มาทราบมเป็นอาการนอนอาการยืนอาการเดินนี่นะแนยกมานี่ไม่ได้นขณะนั้นนี่อันเดียวแล้ว พ, พูดไออกพูดก็ได้เลยเป็นไงนะเราจะพูดได้แต่ว่าสักเทวารู้เท่านั้นนี่เท่านั้นเทวะสักเท่ า, านั้น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 พอดีโกรกดีใจก็ถึงนันละวันจะทาละใครน่ายพระพุทธเจ้า ท, ท่านทรงขาไว้ท่านนั่นน่ะการจะทำลใคร่หนายะคงก็ทรงข้าไว้แล้วแล้วปัดธรรมาพระนว่านนจะเสียใจคือตอนท่านนลรองห้นี่ทรุทาจะไปรินานะแล้วธรรมมาจะเสียใจแล้วเาจะเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้สินชีวิไม่มีชีวิตใน วัน ต, ตไนาไห้นา ย, ย, ยนั่นะแหละถ้าคูณจะยอกเลยอย่างนี้นะท่านที่ท้าหนุนก็คือนั่นพอถึงวันนั้นก็เรื่องความเพียรนั่นแหลถ้มีแจะับจะบรรลุจะบรร ล, ลุท่านั้นหรืท่นี้ไองานก็เลยไม่ทมาที่บ้านหนุมีแจะบรรลุท่าเดียวเดียวคน น, วนี่ทำไงจนะทงที่สว่าพอสว่างขึ้นมาตอนทา้าตนหลังก็จะทำตาไห้นายจะทาเพียรนี่ เป็นแย่เอ้ยทงานนี่ไม่ได้เรื่องเพราะอะไรนั่นคือถอนอุปทานขึ้มันไปยุดอยู่นี่นะแรืวองนนร่วมตัวนอนนอนนี่พอนอนลังไมถึงหมอนอายุสิบสี่ทันเรียกว่าอายุสิบวันเพราะว่ายืนก็มาใช่เดินก็มาใช่นั่งก็มาใช่นอนก็มาใช่คือพอเอลงไปจะถึงหมอนพอเอลงไปยังไม่ถึงหมอนมนุษ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 การทำนนี้แล้วพรเจาจะประสงค์ว่าจะปฏิจจค้าพนนกันได้เพราะพระนุนเป็นตรงสุขน่าจะยังไม่ถึงมุดขุดค้นเป็นพรากีตามแต่พ้านุนจะเว้พระนุนไไม่ได้เ น, น, นี่ยการทขไนนี้พระนจะต้องเข้าสู่ที่ปร ะ, ระ า, าุมไข่ไนนแน่ๆประารหนึ่งพระพุจก็รงทำนานไว้แล้วด้วยถ้าย่างนียึดจะพอ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 เนี่แม้แต่ขนาที่บรรลุก็ต้องเป็นกลางการมีมัิมานี่ดูมัชิมานะต้งตามบรรลาธรมแมแต่อยูปนบรลุในส่วของธรรมจิดจิตเรื่องมันนั้นบรรลุไม่มได้มั น, มมนรน ล, น ล, น ล, ลุอในเครื่องาพญา ต่ว่าอาารย์ทำงานอยกําลังธุดมุนวายนี่นะบลุข้ออย่างไหนฉะนั้นอาจารย์นี่ก็ไม่สนิกันหกันนะที่ไม่สนิก็คือชนิทความที่เป็นกลางจิตเป็นกลางสนิตใจมากคำรางพิญนาคธุดงุนวายนี่นั่งนั่งร้อยัรเลยเับาิดเข้าไปอยู่ที่เดียวแน่วเลยนี่มันก็เข้าอยู่เหมือนกันไม่ใช่กะ